เียว่าพักอยู่ถ้าพักอยู่แล้วสิ่งที่จะได้มาคือการจมลงเพราะธรรมชาติของจิตไหลลงที่ต่ําถ้าเราพักอยู่เราจะจมลงงั้นเวลาเราลงมือปฏิบัตินะเราพักไม่ได้เลยนะต้องพักเพียงแต่เวลาเหนื่อยเนี่ยเราพักแบบนักปฏิบัติไม่ไปพักแบบหลงโลกถ้าพักแบบหลงโลกเราจะถอยหลัง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 มีความรู้ถูกความเข้าใจถูกมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานก็มีผู้หญิงคนหนึ่งส่งกงินบ้านส่งเงินบ้านภาวนาภาวนาดีเข้าใจมีความรู้ถูกความเข้าใจถูกมากขึ้นถ้าเราไปดูพฤติกรรมของคนซึ่งเข้าภาวนาได้ดีเขาได้ผลดีเนะี่ยเราจะพบว่าเขาไม่พักอยู่อย่างผู้หญิงเมื่อวานนีที่เข้าส่งกงินบ้าน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 แต่ไม่ใช่ทุกคนต้องภาวนาลำบากขนาด น, นั้นคนที่ภาวนานะมันมีจาพวกหลายจาพวกพวกหนึ่งปฏิบัติสบายได้ผลเร็วอย่างนี้ก็มีบางคนปฏิบัติสบายได้ผลช้าบางคนปฏิบัติลาบากได้ผลเร็วบางคนปฏิบัติลาบากด้วยได้ผลช้าด้วยสี่พวกมีสี่พวกเขได้ไหม ปฏิบัติสบายใช่ไได้ผลเร็วปฏิบัติสบายได้ผลช้าปฏิบัติลำบากได้ผลเร็วปฏิบัติลำบากได้ผลช้าสีจ่จำพวกสีจ่จำพวกนี้มีตัวร่วมกันอยู่ตัวหนึ่งอะไรรู้ไหมปฏิบัติปฏิบัติบตสบายหรือปฏิบัติลำบากแต่คือปฏิบัติบางคนกิเลสหนากิเลสรุนแรงปฏิบัติลาบาก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 ก็รู้ว่าชีวิตนี้มีเป้าหมายชีวิตนี้เกิดมาเนีเพื่อจะมายกระดับจิตวิญญาณไปสู่ความพ้นทุกข์ต้องใกล้ความพ้นทุกข์ไปตามลําดับลาดับเมื่อเรารู้เป้าหมายหลักในชีวิตรู้วัตถุประสงค์หลักในชีวิตแล้วนะงานอื่นจะเป็นงานรองงานทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมันเลี้ยงได้ชีวิตเดียว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 ตรงที่เห็นร่างกายหายใจออกเรารู้สึกอยู่นะั้นเรารู้สึกลึกซึ้งลงไปร่างกายที่หายใจออกเป็นของที่กำลังแปรปรวนอยู่ไม่เทีเ่ยงเดี๋ยวก็หายใจเข้าร่างกายหายใจเข้าเป็นของที่แปรปรวนไม่เทีเ่ยงเดี๋ยวก็หายใจออกร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนก็ไม่เทีเ่ยงหรือดูว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะ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 เมจิตไม่ยึดถือในกายในใจก็เข้าถึงพระนิพพานครั้งแรกเลยนะเรียกว่าสอุปาที่เสสนิพพานอันนี้เป็นพระนิพพานของพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่เรียกสอุปะที่เสสนิพพานจิตกับขันนี่ไม่ยึดถือกันต่อไปแล้วนะแล้วกระทั่งจิตก็ไม่ยึดถืออยู่ไปจนวันที่ขันแตกขันดับก็เรียก ด, ด, ดับทุกข์